บุ๊กทูสี่สิบหกนัลพยอารุในดิสโกเทกดิสโกโลกที่นั่งนี้ว่างไหมคะอีสีทโลยินตึกมุนไปอยาวรีนาบุญนาระดีฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ เนนมีดั ก, กระากูชัวบะจเชิญค่ะตับปะคุณดาคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะมีกูมิวสิกนัดชินดาเสียงดังไปนิดค่ะควนเชิ่งโกละก็อนดีแต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ การีอร์เคสตรวัดลุชาลบากาไวสตุนารุคุณมาที่นี่บ่อยไหมคะมีรืออ่ิกยดคดีตัดรัชวสุนตาระไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกคะ่ะเลดูอีดียหมอดอะไรดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยคะ่ะเนยนยินตักมโนปูยับปุดยยึดคดีราเลดู คุณอยากเต้นรำไหมคะไม่รู้แดนซ์อย่าสตระอีกเดียวอาจจะไปค่ะแต่รว่าจะชูดดัดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะเรนน์วันทบากาแดนซ์เซเลโนง่ายมากเลยค่ะอดีตชาล่สุรุบุดิฉันจะแสดงให้คุณดู นี่นุชูพิสตานุไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะวัดดุมาเร็ปเลยนะชุดดัมคุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะมีรีบแกวเรีรกว่าสมัยน่าจะดูจุดสนานะใช่ค่ะรอแฟนอยู่เอานูนาสในิตริกจะเรีเขามาแล้วค่ะ อันดีกว่าอาตานุวัต